อาจารย์ครับ เ, เ, เ, เมื่อเช้าที่เปิดนี่ไม่ทราบว่าเป็นซีดีม้วนไหนครับอาจารย์เมื่อเช้ามเมื่อเช้านี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรอาจจะมาไม่ไ ม, ไม่ได้ฟังก็ดีครับ<ๆ>มีมีอยู่นิดหนึ่งครับอาจารย์เป็นเสียงเฉยเใช่ไหมไ ม, ไม่ใช่เป็นภาพครับที่ที่บอกว่ารูปหยาบรูปละเอียดรูปร่างนิดรูปใกล้รูปไกลอาจารย์ช่วยช่วยอาจารย์ช่วยช่วยระาขยายความเพิ่มเติมนิดหนึงนะครับ คือจ ะ, จะมีแต่รูปแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารที่ว่าละเอียดปราณีตไกลอะไรเงี้ยอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึครับก็เวลายอ<ป>มทําสมาธิสมาธิมันละเอียดปราณีตกี่ระดับล่ะมันเยอะแยะไปหมดนะี่ยรูปก็เหมือนกันไม้กับผ้าละเอียดต่างกันไหมต่างกันนะน้ําก็เป็นรูปก็ละเอียดต่างกันอากาศก็เป็นรูปก็ละเอียดต่างกันเนี่มีความละเอียดในธาตุเยอะแยะไปหมดนะ ลักษณะเดียวกันอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีมีความละเอียดเยอะแยะไปหมดนะมีประมาณมากมสมาธิก็มีความละเอียดตั้งเก้าระดับอฮใช่ใช่ใชกาายย็ในในระบบของสังฆตะมันมีระยะทางไงมันมีไกลมีใกล้ แต่ถ้าวิมุตตเนี่ยมันจะไม่มีเพราะในสังคตะามันจะมีมิติ <c oughs> มีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามนั้นรูปที่ไกลใกล้ก็จะมีน ะ, ะนามธรรมที่ละเอียดประณีตที่ไกลที่ใกล้ก็มีเหมือนกันนะระบบระยะทางเนี่ยมันจะมีในสังคตตสังคตตลักษณะแต่ถ้าเป็นอสังคตะเนี่ยมันจะไม่มี จะเป็นสภาวะที่พรุทธเจ้าบอกมันเป็นหนึ่งเดียวนะไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการหยุดนะ <c oughs> ดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่มีในในสภาวะของของนิพพานพูุทธเจ้าบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามนะในนั้นเนี่ยไม่มีนามรูปนะนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีในวิมุตินะนามรูปก็ไม่มีในวิมุตนะครับขย้อน คือที่กรณีที่อธิบายว่าสติคือสังขารนะครับคือผมยังไม่หมดข้อสงสัยครับคือพอไปเทียบในพระสูตรอื่นก็ยังสงสัยอยู่ครับเช่นที่ว่าบุคคลใดจะกล่าวการมากันไปของวิญญาณโดยประจากท่าทั้ง4เป็นกรณีที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็วิญญาณในปฏิจะเกาะกับธรรมชาติคือทีละขันธ์ครับถ้าจะไปเกอะกับธรรมชาติอื่นก็คือจะดับแล้วก็ไปเกิดในธรรมชาติใหม่นี้พอพิจารณาถึง มักวิธีที่ง่ายครับกายคตาสติอออืก็คือเราพยายามฝึกให้วิญญาณเกาะ อ, อยู่กับรูปโดยที่ละสามธาตุที่เหลื อ, อ ญ, ญาติชนะสำคัญพนี้ก็เลยสงสัยว่าอย่างตอนที่ถ้าวิญญาณเกาะ อ, อยู่กับรูปแล้วอพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้มีสติอยู่กับกายก็หมายความว่าตอนนั้นก็น่าจะมีสติอยู่ไม่ใช่มีสติคือมีระลึกได้แล้วกลับมาอยู่ที่กายดูพระเจ้าอธิบายเวลา กายยกตาสติพระเจ้าจะพูดยังไงมีสติแล้วก็มามีสัมปชัญญะสติคือการระลึกได้นะไม่ใช่สติมันไปอยู่ตรงนั้นสติเนี่ยมันเกิดดับนะสติไม่ได้เกิดแช่อยูนะ่เฉยๆอาการระลึกได้ตัวมันเนี่ยคืออาการระลึกได้เกิดปุ๊บแล้วก็ดับไปแล้วหมายถึงว่าตอนังวิญญาณไปเกาะกับสติคือสังขารแล้วก็กลับมาที่รูปใช่ใช่มันเร็วมาก แล้วอย่างพระสูตรที่ที่พระอาจารย์อธิบายว่าสติคือสังขารครับที่อพระอาจารย์ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าตัดกับอจิตะมานพ่ะครับที่ว่าสติใช่ใช่สติดับเพราะนามรูปดับแล้วนามรูปดับเพราะวิญญาณดับใช่ใช่คือที่ผมไปดูในพระสูตรคืออพระสูตรจะบอกว่านามและรูปดับไม่มีส่วนเหลือนาทีใดสติก็จะดับนาที พอความดับไปแห่งวิญญาณครับใชพ่พอไปฟังดูก็ก็ยังน่าจะหมายถึงว่าสติหมายถึงวิญญาณอยู่เพราะฉะนัอ๋อไม่ไม่ใช่สติวิ ญ, ญญาณเป็นผู้รู้เฉยเนีก็นามรูปเนี่ยดับไม่เหลือในที่ใดสติปัญญาก็ดับในที่นั้นก็คือสติปัญญาเนี่ยมันดับในส่วนของนามรูปนะ่ยและทั้งหมดเนี่ยดับไปเพราะวิญญาณดับ วิญญาณเป็นผู้รู้เฉยๆนะสติเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตติอย่างเนี้ยสติเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจวิมุตติได้นะวิญญาณก็เป็นผู้รู้รู้นิ่งๆรู้นิ่งๆเฉยๆอย่างเนี้ยคือสติก็เป็นการปรุงแต่งก็เป็นการปรุงแต่งถูกต้อง เป็นอาการจิต อ, อีกอันหนึ่งใช่ใช่ใชวิญญาณเนี่ยไม่ใช่แน่นอนอเพราะวิญญาณเป็นผู้รู้เฉยเฉมันไม่รู้อะไรมันแค่รู้แล้วก็ดับครับอย่างที่ประโยคที่ว่ า, าสติดับเพราะนามรูปดับแล้วก็นามรู้ดับเพราะวิญญาณดับครับแล้วก็พระอาจารย์สรุปว่าสติหมายถึงนามรูปหรือสังขารใช่ไหมครับไม่ ไม่ได้ต้องไปสรุปอะไรเลยเพราะในตัวคำนั้นมันมีมันก็บอกมันอยู่แล้วว่ า, านามรูปเนี่ยดับไม่เหลือในที่ใดสติปัญญาก็ดับในที่นั้นมันก็คือเป็นคำตอบอยู่แล้วว่าสติปัญญาเนี่ยมันคืออยู่ในส่วนของนามรูปและทั้งหมดเนี้ยดับไปเพราะวิญญาณดับนั้นถ้าวิญญาณไม่มีน้มรูปสี่ขันก็ไม่มีอย่างนี้ ถ้าอา้นก็อย่ดังในอนาปานสติก็คือการใช่ไหมว่าตอนที่วิญญาณเกาะอยู่กับลมซึ่งลมใหม่ยถึกายกายเหมือนรูปนะครับก็คือวิญญาณเกาะอยู่กับรูปแต่ตอนนั้นคือมันก็จะดับไปเกาะกับสังขารที่สติแล้วก็กลับมาหาลูกรูปใหม่อย่างไงนะวิญญาณเกาะกับรูปวิญญาณเกาะกับรูปขณะที่วิญญาณอยู่ตรงเนี้ยคือสัมปจัญญะความรู้ตัวอที่พุทธองค์บอกว่าให้ให้อนาปานสติกที่ให้เราอยู่กับลม ซึ่งก็ลมก็คือกายในกายอย่างหนึ่งในกายธรช่ะกายก็คือลูกถ้าวิญญาณเกาะอยู่กับลมมาถึงเกาะอยู่กับลูกแล้วผู้น้องก็บอกว่าเลากล่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติอนาปัสสติที่ไม่มีได้ในผู้ที่มีสติปัญญาสติอันริมหลงใช่ก็หมายว่าในช่วงนั้นก็ยังมีสติอยู่ ใช่มีการระลึกได้เพราะมีการระลึกได้มาแล้วไงมาถึงลมหายใจขณะที่มีลมหายใจเนี่ยชื่อว่าผู้นั้นมีสัมชัญญยและมีสติคือมีการระลึกได้ที่ถูกต้องกลับมาที่นี่เพราะตัวสติปัฏฐาน4ี่คือฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งอันถูกต้อ ง, งเห็นไหมกายยคตาสตนะิคือสติอันเป็นไปในทางกายไม่ใช่ขนาดที่ที่อยู่กับกายแล้วมีสติอยู่ในนั้น แต่สติเนี่ยมีก่อนแล้วก็สัมปัชชัญญะอยู่ตรง น, นี้อย่างเนี้ยมันคนละตัวกันนะก็ <st Cos aka> คือหมายความว่าตอนที่วิญญาณเกาะอยู่กับรูปตอนที่เกาะอยู่รูป อ, อ, อย่างเดียวยังไม่ยัยงไม่จับแล้วก็ไปเกิดกับอย่างอืงอ่นตอนนั้นไม่มีสติใช่ไหมครับ <st aka> ตรงนั้นเป็นสัมปัชชัญญะนะตรงนั้นเป็นสัมปัชชัญญะและตรง น, นั้นก็ชื่อว่าเป็นสติที่ถูกต้องก็คือมีการระลึกได้กลับมาที่ถูกต้องแต่ถ้าระลึกได้แล้วไปที่อื่นเนี่ย ก็ไม่ถูกต้องระลึกได้กลับมาที่นี่นะเพราะฉะนั้นขณะที่มีสัมปทัญญะอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอย่างเนี้ยนะมีความรู้ตัวอยู่ตรงเนี้ยนั่นก็ชื่อว่ามีสติถูกคือมีการระลึกได้กลับมาที่ถูกต้องมันผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าณนะตรงนั้นมันมีตัวสติอยู่ในนั้นด้วยมันไม่ใช่อกรณีสติประฐานสี่ครับาาถ้าเกิดอ่า เปลี่ยนจากคําว่าสติเป็น uh huh. ฐานที่ตั้งแห่งสังขารทั้งส uh ี่ก็ยังไม่หายสงสัยครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น uh huh. ฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณมโนหรือใจก็ย uh ัง huh. เข้าใจได้ไม่ใช่ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกได้ระลึกได้กลับมาเนี่ยกลับมาสู่ฐานอะไรระลึกได้กลับมาสู่กายเวทนาจิตธรรมและขณะที่มีกายเวทนาจิตธรรมนั่นคือมีสัมปชัญญะความรู้ตัวนั้นสติสัมปชัญญะจะพูดต่อกันตลอด ไ่ถึงสติเกิดก่อนแล้วก็มาเป็นสัมปชัญญะใช่ใช่สติแล้วก็จะสัมปชัญญะแต่ถ้าพูดเริ่มจากตัวตั้งต้นคือลมหายใจที่รู้แล้วผู้เจ้าจะพูดสัมปชัญญะก่อนแล้วก็สติคือขณะนั้นพูดณนะจุดขณะนั้นคือมีสัมปชัญญะวิญญาณตั้งอาศัยที่นั่นแล้วอย่างนี้คะอาจารย์คะอ่าเ้ย่ไง ประถมทาหน้า230สองร้อยสามสิบค่ะสองร้อยสามสิบค่ะอืมถ้าสูตรไหนเนาะผู้ง่ายต่อการเข้าสมาธิขอเอาหน้าเดียวนะคะหน้าเดียวอ่าได้อ็มัมนยาว ออไม่มีเวลามีมีแต่ไว้อาฮะ <co ff puisque> <hardship> อ๋ได้น่าเดียว <c oughs> ได้น่าเดียว <c oughs> ิกษุทั้งหลายพิกษุที่ปรากอบด้วยธรรมหบาการเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วเลยอยู่ หประการอย่างไรเล่าพิกษุตทั้งหลาย5ประการคือพิกสูตรในกรณีนี้ 1. เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายสองไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายสไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 4. ไม่อดทนต่อรสทั้งหลาย5ไม่อดทนต่อฝนท่าฟ้าทั้งหลายพิกษุตทั้งหลาย ภิกษุที่ประกอบด้วยทำห้าประการเป็นผู้ควรแก่เป็นผู้ไม่ขวรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิละได้อยู่ง่ายง่ายท่องไม่ถึงชั่วโมงนึง <laughs> ได้แล้วได้แล้ว <laughs> ง่ายมากสงสัยไหมประสูตรนี้ สงสัยว่าอดทุนยังไงคะแล้วเกี่ยวกับนิวรณ์ห้าหรือเปล่าคะที่เป็นการพยาบามที่นมิท้าอุอทะจะแล้วก็วิจิกิจช้าคะ่ะอ๋อเกี่ยวกันหรือเปล่าคะเอ่เกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าในตัวนิวรณ์ห้าเนี่ยก็อาศัยตัวเนี้ย อาศัยตัวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางเพราะฉะนั้นตัวอกุศลอันดับแรกที่พระเจ้าต้องการให้ให้ละให้ทิ้งก็คือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งก็คือหนึ่งในนิวรณ์หนี้ถ้าเราไม่อดทนต่อเสียงไม่อดทนต่อกลิ่นไม่อดทนต่อรูปอย่างนี้เราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ลําบากนะครับ เพราะว่าเวลาอย่างน้ำบุญนั่งสมาธิปับ๊บมีเสียงอะไรมาปุ๊บเราก็ไปสนใจเสียงละเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปละจิตมันก็เลยไม่ตั้งมั่นนะเห็นอะไรมาหน่อยก็ไปสนใจแล้วนั่นอะไรใช่ไหมมันก็ไม่ตั้งมั่นละแทนที่เราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกเฉยๆนะจิตมันจะเคลื่อนไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสนะผู้เจ้าจึงบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย มันจะเข้าสมาธิไม่ไดนะ้เป็นผู้ไม่ควรได้มาซึ่งสมาธิแต่นะ <ไ S 1> นั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราต้องไม่ใส่ใจอะไรเลยพระเจ้าก็ให้ใส่ใจลมหายใจอย่างเดียวเนาะค่ะพระอาจารย์คะแล้นวนิวรณ์ภาพการเพยาบาทีนาะมิค้าอุช า, าจารย์แล้วก็วิจิกิจฉ า, <อ>าแปลว่ากา ร, รแปลว่าความไม่พอใจความเพยาบาทแปลว่า ความความความพอใจพอใจพยาบาทความไม่พอใจที่นะมีทะความง่วงเหงาหานอนอือเธอจาความฟุ้งซ่านอือวิจิกิจความลังเลยสงสัยใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าเอ่อ นิวรณห้าไปอาศัยอาศัยกรรมมาคุณห้ า, างงคะ่ะ อ, อาศัยยังไงคะอาศัยยังไงคืออาศัยตัวตัวกรรมคุณห้าเนี่ยตัวกรรมคุณเนี่ยคืออะไรพระุทธเจ้าบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราเรียกว่ากรรมคุณนะอา่า เป็นเครื่องไต่ต่อเพื่อให้เกิดการขึ้นมานะตัวตัวการจริงๆคือตัวความคิดอันมีมูลฐานเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยจากผัสสายญตนณะทั้งหลาย5ประการพรนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าการคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตึกนั่นแหละคือการของคนเรานะนั้นตัวรูปเสียงกินรสเนี่ยมันเป็นเหตุให้กุศลอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นคือจิตจะ ไปในทางยินดีไปในทางยินร้ายทน่นี้พอไปอย่างนี้มันก็ฟุ้งซ่านละมันก็จะฟุ้งไปในลูปฟุ้งไปในเสียงนะอลองเอาไปไข้วกวนเนาะเอาไปไข้กวนราชการถามท่านอาจารย์<า>ที่บอกว่ากําลังความเพียรนะครับกำลังความเพียรความขยันมุ่งมั่นเนี่ยครับ<า><า>มีพระพวทธวจนะท่าน ตัดไปไหมครับว่าเราจะเพิ่มภูนได้ยังไงส่วนใหญ่มางที ม, มันก็ไม่ค่อยมีตรงนอ๋อเหตุเหตุของการที่จะทําให้ขยันปารกความเพียรคือต้องต้องพิจารเรื่องตายมากๆ <c oughs> น ะ, น ะ, ะว่าเราอาจจะพลัดตกหกล้มตายนะเราอาจจะถูกสัตว์นะมีพิษกัดตายนะเราอาจจะถูกอ่ภาภัยพิบัตินะ ตายอะไรต่ออะไรอย่างนี้คิดเรื่องมรณสติเยอะๆจะทำให้เกิดการปรดลบความเพียนนะแต่ความเพียนเนี่ยมันยากเนาะมันเท่าจะต้องขุดกันขึ้นมาอ่าฮะใช่อ่าทำยังไงได้บ้างใช่มะก็ ทั่วๆไปที <c oughs> เ่เขาสอนกันอยู่เนี่ยคืออสุภะเนี่ยก็ได้อยู่น ะ, ะการพิจารณาความไม่งามของกายให้เห็นว่ากายเป็นของไม่งามเป็นของเเล่าพุกพองนะเวลาเราเห็นสัตว์ตายคนตายหรือเห็นอะไรแตกสลายเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้น้อมเข้ามาในตนว่าเราก็ เป็นเหมือนสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันที่จะต้องมีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะนึกเรื่องตายบ่อยๆในระดับที่ละเอียดขึ้นไปก็คือโยมเห็นบิญยาณขันเนี่ยที่ดับจากลมไปคือจิตเราที่เคยรู้ลมหายใจแล้วหายไปไปคิดเช่นไปคิดเรื่องอดีตนะขณะที่ไปคิดอดีตก็คือรูปดับคือลมหายใจดับนามเกิดยมเพลินไปสักพักหนึ่ง ยมดึงกลับมาลงหายใจนะมีสติการระลึกได้กลับมานามดับรูปเกิดนะ น, นั้นถ้าโยมเห็นอย่างนี้โยมจะเห็นมรณะอยู่ตลอดเวลาคือการดับของรูป ก, การดับของนามนะพระเจ้าจึงบอกใครทําอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดและดับของรูปนามได้นี้จะเป็นมรณะสติที่อ่า ละเอียดกว่านะปลาณี้กว่าตัวของอสุภะนะหรืออาหารเป็นปฏิกูลอย่างนี้นะซึ่งมันจะทำให้เห็นการเชื่อมโยงกันระหว่างวิญญาณขันที่เข้าไปเกาะรูปนามทั้งสี่นะเราก็จะสรุปได้หลายๆเรื่องเลยว่าเช่นว่าการปรากฏขึ้นของรูปนามมีเพราะวิญญาณการดับไปของรูปนามก็เพราะวิญญาณดับไปอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะเห็นการทางานของวิญญาณว่ามันจะวนไปในขันทั้ง4ี่ อย่างนี้นะนั่นนี่ก็คือการการเห็นการเกิดดับที่ที่เห็นทั้งระบบของขันธ์ห้าก็จะละเอียดขึ้นมาแพระอาจารย์บอกว่าพระเจ้าสอนเรื่องละนันทิมากที่สุดใช่ไหมครับเราทีนี้เวลาเรามีความเพลิดเพลินอยเราจะเอากำลังที่ไหนมาละไปตรงนี้ อ๋อก็โยมก็หยิบหยิบตัวอื่นก็ได้ถ้ากําลังในการละมันยังยังไม่พอนะเช่นว่าให้โยมเห็นซึ่งความดับนะซูเรากําลังเพลินอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามแล้วแหมมันไม่อยากละใช่ไหมยังพอใจในอารมณ์นี้อยูอ่ผู้เจ้าให้ตามเห็นความดับเวลาอารมณ์นั้นดับไปเนี่ยโยมต้องสังเกตให้ทันนั้นส่วนใหญ่ อารมณ์ที่เราพอใจดับไปเนี่ยเราสังเกตไม่ทันจิตก็ไปพอใจอารมณ์ใหม่ต่อไปไอ้นี่ดับก็ดับไปแล้วเราไม่ค่อยหวนกลับมาคิดว่าเอออารมณ์เมื่อี้ที่เราพอใจมันดับไปแล้วอย่างเนี้ยนั้นต้องมันเห็นความดับให้ทันสมมติว่ามันยังไม่ดับเราก็เฝ้าดูดีดีดูดีๆีนะมันจะดับเมื่อไหร่ปั๊บมันจะดับให้เราเห็นอย่างเนี้ยถ้าเราเฝ้าดูนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยทันคือเผลอไปกับอารมณ์ใหม่อารมณ์เก่าดับไปแล้วอย่างเนี้ยอ่า หรือเราจะพินาย้อนหลังก็ยังได้ถ้าเราระลึกได้คือถ้าเราตามทันเห็นอยู่เรื่อยๆกำลัง<ช>ที่จะใช้ในการละตรงนี้ก็จะมา เ, เร็วขึ้นถูกต้อง ค, คใช่ใช่เช่นนันที่ความเพลินกับความคิดอันเดียวกันไหมไม่ไม่ใช่นะ ขณะที่เราที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเนี่ยเรียกว่าเรามีนันทีขณะที่เรารู้ตามรู้เสียงไปเนี่ยเรียกว่าเรามีนันทิคือคืออารมณ์มันมีหลากหลายขณะที่จิตกําลังผูกติดกับอารมณ์นั้นน่ะเรียกว่าเรามีนันทิครูเจ้าเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอํานาจแห่งความเพลินนะเป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้ น, น, นๆนอ่า จิตเข้าไปยึดเข้าไปยึดเฉยๆเนี่ย <c oughs> ถ้าเข้าไปยึดปั๊บเนี่ยเรียกว่าสร้างภพคือมีสถานที่เกิดแต่ตรบับใดถ้ายึดแล้วไม่ปล่อยนะแล้วเพลินต่อเนี่ยถึงจะเรียกว่าเพลินนะเพราะนั้นวินาทีแรกที่ยมจับอารมณ์ปั๊บเนี่ยนะมีภพจับต่อไปวินาทีที่สองสามสี่ห้าเรียกว่าเพลินละเริ่มเพลินละหรือเรียกว่า จิตภู ก, กับอารมณ์ด้วยน่านแห่งความเพลินเรียกว่าสัญโยคะจิตภู ก, กับอารมณ์นะก็คือเพลินขณะเพลินก็คือพอใจขณะพอใจก็คือมีอุปทานนะความคิดกับจิตตสังขารเกี่ยวพันกันไหมตัวความคิดนะ่ะคือจิตตสังขาร น, นะ การปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งให้เป็นเวทนาก็ได้ปรุงแต่งให้เป็นให้เป็นความคิดก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะฮะจิตดวงสุดท้ายที่ดับไปกับจิตดวงใหม่ที่เกิดมามีความเกี่ยวพันกันไหม ไม่มีความเกี่ยวพันกันเลยนั้นอันดับแรกต้องใช้บทพัญชนะให้ถูกต้องซะก่อนนะนั้น <c oughs> ในธรรมะชั้นลึกที่เริ่มเปรียบเทียบกับระบบของของบิมุตแล้วเนี่ยถ้าเราใช้บทพัญชนะพลาดนิดเดียวเราจะไม่เข้าใจเพราะว่าผู้ที่หลงวิญญาณหรือหลงจิตเนี่ยคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตันหาเป็นเครื่องผูกผู้เจ้าจะเรียกตัวนี้นะและสามชื่อที่เหมือนกันคือจิตมโนคือใจแล้วก็วิญญาณนะสามชื่อเนี่ยตัวเดียวกันคือผู้รู้นะมันรู้เฉยๆไม่มีอาการอะไรนะท่นนี้ <c oughs> ขณะที่โยมบอกว่าวิญญาณดวงนี้ดับไปวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นวิญญาณดวงนี้ดับไปก็คือดับไปแล้วจบไปแล้ววิญญาณดวงนี้จบไปแล้ว แต่ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนะมีความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาความอยากนะทำให้มันยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไปว่าเป็นตัวมันนะเะนั้นวิญญาณดวงใหม่ไปเกาะ อ, อารมณ์ใหม่ผู้หลงก็คิดว่าอารมณ์เป็นตัวมันอีกเหมือนกันใช่ไหมหลงทั้งวิญญาณหลงทั้งอารมณ์ที่วิญญาณไปรับรู้คนที่เก็บ นะข้อมูลเก่าๆทั้งหมดเนี่ยที่เรียกว่าอนุสัยความเคยชินเนี่ยคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ชีวิตจิตไม่รู้เรื่องอะไรจิตเกิดดับเกิดดับเกิด ด, ดับของมันไปตามภาษาอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้หลงเนี่ยเข้าไปยึดถือจิตเป็นตัวมันของมันแล้วก็ต้องเลยเกิดตายไปพร้อมกับจิตท่านนี้พอจิตดับปั๊บเนี่ยผู้หลงก็ ต้องคว้าจิตดวงหมายเพราะคิดว่าจิตเป็นมันและวิญญาณขันเนี่ยเกิดดับรวดเร็วมากพูุทธเจา้าบอกว่ายากที่จะหาอุปมาด้วยซ้ำว่าจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วขนาดไหนโดยปกติก็อุปมาเปรียบเหมือนกับฟองน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวน้ำแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นมาเนี่ยในมหาสมุทรในแม่น้าลำธารเนี่ยยมนับไหวไหมไม่ไหวมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเยอะแยะไปหมดเลยเร็วมากด้วย ออการไปคว้าเอารูปเหรอการที่มันเกิดใหม่อ่ะฮะคือการได้ตภาพใหม่เนี่ยวัดชาถามผู้เจ้าว่า <c oughs> เมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วจิตยังไม่ยังไม่ได้กายใหม่เนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ก็คือตัณหา นั้นขณะที่จิตมีการมาการไปเนี่ยนะตัณหาเป็นตัวพาไปความอยากและขณะที่จิตมีมาไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจิตดวงนี้วิ่งไปดวงนี้นะขณะที่มีการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยจิตดวงนึงจะดับดวงใหม่จะเกิดผู้เจ้าจะบอกว่านะติยาอาสติอาคติคตินโหติถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยมาไปจะไม่มี นั้นตัวนติคือความน้อมไปหรือตัณหาเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดมีการมาไปขึ้นนะอ่จริงๆเป็นการมาไปของผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนะจิตก็ไม่ได้มาไปจิตก็ดับเกิดดับเกิดของมันเฉยๆนะจะเหมือนกับแผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟมันวิ่งนะนั้นไฟไม่ได้วิ่งแต่ดวงนึงดับไฟอีกดวงเกิดอีกดวงดับอีกดวงเกิด พอมันเร็วๆเราก็เห็นมันวิ่งลักษณะเดียวกันการมาการไปของจิตจิตไม่ได้วิ่งจากนี้ไปลมนี้ไม่ได้วิ่งจากนี้ไปลมนี้ถ้าจิตเป็นอย่างนี้จิตก็เป็นนิจจังจิตไม่ดับใช่ไหมแต่จิตเป็นอนิจจังผู้เจ้าบอกวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะผู้เจ้าจึงบอกว่าอาคติคติยาอาสติจูตูปปาโตนะโหติขณะที่มีการมาการไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิด เห็นนะนั้นถ้าจิตไม่มีมาไปก็คือตายเกิดจะไม่มีเห็นนะอ่าอย่างนี้เป็นคนละดวงกันนะอืครับเรียนท่านพระอาจารย์อย่างอย่างคนที่จิตตกท้อแท้หอยเหี่ยวอย่างเงี้ยมีเป็นกนนันเยอะเนี่ยฮะอันเนี้ยจิตมันเป็นเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็<ร>คื อ, ก, อก็คือไปเพลินกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะจิตทถทูเศร้าหมองนะ อย่างเนี้ยก็คือไปเมาหมกอยู่กับอารมณ์นั้นนะนั้นผู้เจ้าบอกว่าสติแก้ได้ทุกเรื่องโดยปกติจิตหดหูเศร้าหมองเนี่ยผู้เจ้าจะให้แก้ด้วยการใช้ธรรมวิจยะนะแต่ถ้า <c oughs> จิตฟุ้งซ่านผู้เจ้าจะให้แก้ด้วยการทําสมาธิแต่ทั้งจิตหดหูและจิตฟุ้งซ่านเนี่ยทั้งหมดแก้ด้วยสติตัวเดียวได้นะนั้นโยมก็ต้องคอยระลึกได้กลับมา ที่กายเพื่อเกิดสัมปัชชัญญะตรงนี้นะนั้นขณะที่มีการระลึกได้อารมณ์นั้นจะดับไปอารมณ์ใหม่จะเกิดขึ้นนะอย่างนี้นะฮะใช่ใช่พรอาจารย์ครับ อย่างกรณีที่บอกว่าพอจิตเริ่มไปผูกติดกับอารมณ์นี้นะครับาารก็ถือว่านั่นเกิดพบแล้วใช่ไหมฮะทีนี้กาบเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าในกรณีเราเจริญสตินะฮะทั้งสติปฐานสี่เนี่ยนะครับประจําวันในชีวิตประจําวันเนี่ย อ, อ, อันนี้ถือว่าพบเราเกิดตลอดหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นจเจริญสติปฐานสี่นะครอใช่พบเกิดตลอดเลยเหรอ <c oughs> พบก็คือเกิดพบเดียวไงในฐานที่ตั้งที่เราเข้าไปละลึกได้ เพราะนั้นผู้เจ้าเนี่ยให้ละทั้งห้าขันแต่ละละได้ไหมบอกร้อยรอบก็ยังละไม่ได้มันก็เลยต้องมีอุบายในเป็นลําดับขั้นในการละก็คือให้เอาวิญญาณเนี่ยมาเกาะกับกายก่อนนะมาเกาะกับกายละละสขันที่เหลือนะหรือเอาวิญญาณเนี่ยมาเกาะกับสติปัฏฐานสี่ฐาน4อันก็คือกลับมากายหนึ่งกลับมาเวทนาหนึ่งซึ่ง ต้องเป็นเวทนาที่เป็นอะไรอุเบกขาเพราะสุขทุกผู้เจ้าให้วางนะกลับมาสู่จิตผู้รู้ก็คือรู้ว่าเรากำลังรู้อะไรนี่หนึ่งแล้วกลับมาสู่การเห็นอาการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนอย่างนีค้คือผมกำลังสับสนนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ตอนนี้ผมพยายามเอาสายของปฏิจจสมุปบาทมาจับนะครับ คือถ้าจะเกิดพบก็แต่เมื่อมันก็ไล่มาตั้งแต่เนี่ยมันต้องมีอุปัตมีเกิดอุปธิก่อนนะเกิดตัณหาแล้วถึงจะเกิดพบทีนี้ในเมื่อเรายังไม่มีอุปธิในเรื่องตรงนี้เลยยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราเจริญสตินะฮะสติปฐานสีก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่ได้ไปมีอุปัธิตรงไหนเลยมีแล้วมีตั้งแต่แรกแล้วอุปัธิเนี่ยผู้เจ้าวางไว้เหนืออวิชชาอีกจะมีพระสูตรหนึ่งที่บอกพราะมีอุปัธิเนี่ยมีอวิชชานะ นั้นอุป a ิเป็นคำที่ไม่มีใครหานิยามได้นิยามในการอธิบายอุปธิเนี่ยอาตมาใช้จากที่พระศาสดาบอกเหตุเกิดของอุปธิเหมือนกับอุปทานนั้นผู้เจ้าบอกตัณหาเป็นเหตุได้เกิดอุปทานตัณหาเป็นเหตุได้เกิดอุปธิเพราะนั้นทั้งอุป a ิและอุปทานเนี่ยมีเหตุเกิดจากตัวเดียวกันคือตัณหาเท่ากับว่าอุป a t กับอุปทานเนี่ยใช้แทนกันได้นะ แต่อุป a t ิ i นั้นก็จะกินความหมายที่กว้างเพราะพระผู้เจ้าเนี่ยจับไปอยู่เหนืออวิชชาอย่างนี้นั้นโดยโดยทั่วไปก็คือมันแทนกันได้แต่เหมือนอุป a t h เนี่ยเป็นคําที่กว้างแล้วก็พอจะใช้ใช้ในจุดที่สูงสุดเนี่ยก็จะไม่ใช้อุปทานนะจะใช้อุป a t ิแทนอย่างนี้ก็เหมือนกับจิตขั้งแรกเนี่ยเข้ามาหลงระบบของของขันห้าเนี่ยตัวเนี่ยจะใช้อุป a ทิ พระอจครับถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้กระทั่งคําว่าพบเนี่ยก็ก็น่ารังเกียจนะฮะเหมือนกับมูดนิดเดียวก็ถือถือว่าน่ารังเกียจมากทีนี้ในการที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันมันก็ทำยังไงถึงจะไม่เกิดพบในลักษณะอย่างนี้ครับอ๋อก็ต้องทิ้งพบที่เหลือให้ไวดุจกับพิปตาซะก่อนพบตัวเนี่ยที่มาเกาะเนี่ยเกาะไปก่อน แล้วยมทิ้งสามตัวที่เหลือเนี่ยยมทิ้งเวทนาสัญญาสังขารแค่นี้ก็ทิ้งแทบทั้งชีวิตแล้วเพราะมันเกิดเร็วมากและกว่ายมจะดับไอ้สามขันนี้ได้รวดเร็วเนี่ยไม่หมูเลยนานมากใช่ไหมอ่าเพราะนั้นพอเราทิ้งอารมณ์ต่างๆได้ไวดุจกระพริบตาแล้วเนี่ยโยนเข้ามาจัดการตัวนี้ซึ่งการจัดการตัวนี้พูะเจ้าบอกก็คือเป็นการดับอวิชชานั่นเองดับอวิชชานุใสนะ เชิญเนี่ยไฟขึ้นมากดแช่แล้วให้ไฟขึ้นใช้เครื่องใหม่ก็อ่้ที่ว่ า, าจิตเนี่ยเวลาปกติจะอยู่กับรูป อหรือเวทนาหรือสัญญาใช่ไหมครับทีนี้เวลาถ้าเราถ้าเราอยู่กับอุเบกขาเนี่ยตอนนั้นจิตอยู่กับอยู่กับอยู่กับขันใดครับอยู่กับเวทนาขันอันเป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยมีสามตัวคือสุขทุกอุเบกขานครับ ก า, การแกะธรรมะพวกเนี้โยมยังไม่สามารถแกะได้จากคําของสาวกเลยเพราะมันจะไม่สอดรับกันนะแต่จะสามารถแกะได้จากพุทธวจนะเพราะคําศาสดาเนี่ยสอดรับกันหมดนะนั่นนี่เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอเข้ามาสั่งสมสุตตะในคําพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้อะไรที่เราสงสัยมันจะเข้าใจกระจ่างไปเรื่อย เรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดก็ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจบางทีมันเห็นไม่ทันนะมันก็จะประเมินไม่ถูกไม่รู้จะประเมินยังไงนั้นมันต้องควบคู่ ก, กันไปกับการที่สั่งสมสุตตะแล้วก็อ่าปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเห็นชัดๆเข้าไปเรื่อยๆอ่านะ มันไม่ไม่ดังมะ้ดังมจิตเราไปผูกติดกับลมหายใจน<า>ี่นะครับก็ยังถือว่าก็ยังเกิดพบอยู่ถูกไหมครับถูกต้องเออเรียนถามว่าทํายังถึงจะตัดพบตรงนี้ได้อา่าก็สตรว่า <c oughs> ยมเกาะ อ, อยู่กับลมหายใจนะ <c oughs> แล้วเวลาหลุดไปที่ความคิดอื่นๆยมทิ้งได้เร็วเท่ากับพริบตาแล้วใช่ไหมอ่านั่นคือขนาดที่หลุดจากลมปั๊บไปสู่อารมณ์อื่น กระพิษตาเดียวยอมกลับมาที่ลมได้ถูกต้องไหมอ่าต่อไปยอมต้องเร็วกว่านี้ขนาดขนาดกับพิษตาเดียวผู้เจ้าก็ชมว่าอินทร์พนาชันเลยแต่คือยังไม่จบนะอ่ายอมต้องเร็วขนาดขนาดที่ลึกเข้าไปคือเมื่อจิตจะขยับไปสู่อารมณ์อื่นเนี่ยยอมต้องรู้แล้วนะต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อเราเห็นการเกิดการดับเกิดดับอย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าโยมทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาเนี่ยโยมจะเริ่มเข้าใจวิญญาณลว้ว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองแต่เป็นเพราะวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยมีการรับรู้ขึ้นมานั่นคือโยมจะเห็นการเกิดดับของวิญญาณเมื่อเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยโยมจะเริ่มอะไรเบื่อหน่ายในวิญญาณใช่ไหมเริ่มคลายความพอใจจากนั้นโยมก็ทิ้งอารมณ์ดุจกระพริบตาต่อเรื่อย ๆ, ๆ ความเบื่อหน่ายในวิญญาณจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมจากนั้นเนี่ยสติโยมจะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นจนทั้งเท่าทันว่าเวลาวิญญาณขันเนี่ยที่จะดับจากอารมณ์นี้ไปเนี่ยอพอวิญญาณขันดับจากอารมณ์นี้เนี่ยผู้เจ้าอธิบายตรงนี้ตรงจุดที่วิชาวิมุติจะปรากฏขึ้น ก็คือคนคนั้นเนี่ยอาศัยวิเวกคือจิตตั้งมั่นกับอารมณ์นี้อารมณ์เดียวอาศัยวิลาคะความจางคลายอาศัยนิโรธความดับน้อมไปเพื่อโวตสักคะนี่เพราะฉะนั้นโยงต้องเร็วพอจนกระทั่งเห็นการจางคลายและดับไปของวิญญาณดวงที่เกาะลมหายใจอยู่เนี่ยนะแล้วก็ปล่อยวาง เร็วพอและเบื่อหน่ายพอไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ต่อไปก็จะหลุดพ้นนะซึ่งมันยากมากนะ อ, อุรยเจ้าเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบมันชั่วนหนึ่งในล้านวินาทีเนี้ยปั๊บนิดเดียนะผู้หลงก็ลงวิญญาณดวงใหม่ต่อไปทันทีอย่างเงี้ยนั่นเร็วเร็วมากนะก็เลยต้องฝึกการทิ้งอารมณ์เนี่ยเวลาเวลาเกาะ อ, อะไรปั๊บเนี่ยวางรีบวางรีบวาง สติจะถูกฝึกให้เร็วขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้น ไ, ว ข, นไวขึ้นเรื่อยๆอย่างนีน้เราจะรู้ตัวเร็วขึ้นนะอือฮะใช่หมายถึงวิมุติหรือนิพพา น, น, นา ก, น ก, านนก็ก็คือเราต้องต้องไม่อยากได้ไม่อยากได้ขันห้าเราจะ ดำลงอยู่ในสภาวะนั้นได้นะคือหลุดพ้นจากขันทั้งห้าพระเจ้าจึงบอกว่าน่ะพอหลุดพ้นแล้วเนี่ยก็จะดำลงอยู่น่ะนั้นมันมีสภาวะที่ดำลงอยู่ของมันซึ่งจริงๆสภาวะเนี่ยมันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วแต่เราเนี่ยดันมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราทําให้เรามีตัณหา ผูกติดอยู่ในภพอยู่ในขันทั้งห้าเนี่ยพอใจในขันห้าก็เลยเกิดตายไปกับขันห้าไปเรื่อยๆ เ, นะเพียงแต่วางความพอใจขันห้าให้ได้นะนั้นอวิชชาความไม่รู้ก็จะหมดไปทนะ่นี้จะวางได้ยังไงในเมื่อเรายังพอใจมันอยู่ <c oughs> ก็คือต้องเห็นโทษมัน <c oughs> หลักคือเห็นอาทีนวะเห็นโทษโทษมันคืออะไรมันแปลเปลี่ยนคือมันเสื่อมได้มันดับได้ มันเป็นอนัตตาตัวตนมันมีชั่วคราวเนี่ยตอกย้ําการเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะการตอกย้ําการเห็นอย่างนี้ก็คือการเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นการเกิดและการดับสมุทัยกับนิโรธสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับ <c oughs> ยมตอกย้ําการเห็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยปัญญา ว่าเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซ ม, มัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโซอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจะเกิดขึ้นนะนั้นเวลาเห็นอ น, นิจจังทุกขังนั้นตาแล้วเนี่ยจะต้องเกิดปัญญาอะไรคือตัวนี้สามตัวนี้นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งสามตัวเนี้ยโยมจะไม่ค่อยเคยได้ยินที่ไหนสอนแต่ในพุทธวจนะจะมีมากเลอเกินอาตมายังงงว่า สตัวนี้มันหายไปจากระบบการสอนได้ยังไงทุกวันนี้เรามาสอนกันสุดแค่อนัตตานะซึ่งจริงๆเมื่อเห็นอนัตตาแล้วผู้เจ้าบอกว่าจะเห็นต่อไปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตรงนี้พระองค์จะเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักายะนะตัวตนทั้งปวงเนี่ยนะนั้นเมื่อเห็นอนัตตาเนี่ยว่าเอ๊ยมันไม่ใช่ตัวตนเราก็ต้องถอนออกมาอ อ, ออกจากมันได้ นันถ้าไม่มีความรู้ตรงนี้โยมก็จะงงนิดหนึ่งบะ่ะและและอนัตตาแล้วยังไงอ่ะเห็นอนัตตาแล้วยังไงใช่ป่มอ่ามันเหมือนมันไม่จบว่ามันมีอะไรอีกนิดหนึ่งเข้าใจไห ม, อ, มอ่าฮะอ่า ภาพระรหันที่บรรลุแล้วครับวิญญาณก็คือล้าจากจากธาตุทั้งสี่แล้วครับแล้วคร uh huh. ว น, นี้พอดำรงชีวิตยอยู่ต่อไปครับใช่ uh huh. อย่างเช่นในการเดินหรือว่ากลับมารู้เรื่องกายอะไรเงี้ย uh huh. คือวิญญาณกลับมากรอบรูปใหม่เหครับใช่ใช่ก็คือพระหลานผู้ที่ปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยพระหลานไม่ได้ไปทําลายระบบการทํางานของขันห้าขันห้ายังทํางานเหมือนเดิมเพียงแต่ทําลายอุปทานความยึดมั่นที่เข้าไปยึดในขันห้าแต่ไม่ได้ทําลายขันห้า นั้นวิญญาณก็เกาะรูปนามเหมือนเดิม4ี่ขันเหมือนเดิมเกาะไปเกาะมานั้นพอใจอแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปพอใจละไม่ได้ไปยึดว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราละนั้นก็เท่ากับว่าพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายก็คือใช้ขันห้าไปตามระบบของมั น, นท่า น, นี้ก็จะใช้ขันห้าไปตามระบบความเคยชินเก่าๆซึ่งพระอรหันต์ละไม่ได้นะความความเคยชินแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะไปละอะไร นั้นคนที่ละนิสัยเก่าได้เนี่ยจะมีผู้เจ้าองค์เดียวที่เหลือเนี่ยยังเกิดความเคยชินเก่ามานะซึ่งก็ไม่มีความอยากที่จะไปละก็ปล่อยมันไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ยก็คือถ้าอางนั้นพระหลานก็ไม่มีทางเวียนที่จะกลับมาเป็นอนาคามียหรือว่าต่ําลงมาอีกได้เลยใช่ไหมแน่นอนใช่ใช่นะโสดาบันก็เที่ยงความเที่ยงเนี่ยโสดาสกิตาคานาคาพระหลานพวกนี้เที่ยงหมดนะ เทียงคือเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่เทียงความเห็นเน่ยเทียงตามแล้วอย่างพระรหั์นี่คุณภาพจิตของพระรหัสนี้มีความสุขตลอดนะครับอย่างเช่นกรณีที่พระโมคคัลลานากับพระธวัชช้าที่ไปปลดบาตร้่าบดีมารโดนพระพุทธเจ้าตําหนิค่อนข้างจะแรงอะในตอนนั้นที่โดนตําหนินี่คือสภาพจิตใจจะหดหู่ไหมครับก็ปกติเราจะรับฟังคําตําหนิยังไงครับ รับฟังคำสนิแล้วก็แก้ไขต่อไปไงเพราะพระหลานเนี่ยไม่ใช่สัพพัญญูพระหรานจะไม่รู้ไม่ได้รอบรู้เรื่องทางโลกว่าอะไรอะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรในระบบโลกเนี่ยผู้เจ้าคือสัพพัญญูผู้เดียวนั้นเสมอกันที่วิมุตติแต่ไม่เสมอกันในระบบของโลกในระบบของโลกเนี่ยความเป็นสัพพัญญูเนี่ยคือความรอบรู้ในเรื่องของโลกมากที่สุดซึ่งพระหลานเนี่ยไม่ได้รอบรู้แต่พระหลานเนี่ย รอบรู้หนทางที่จะเข้าถึงวิมุตตตามที่ตนเองเนี่ยเก็บเกี่ยวจากพระศาสดาไปได้แม้พระสูตรเพียงหนึ่งบทนะเมื่อหลุดพ้นได้แล้วเนี่ยก็ก็หลุดพ้นไปเสมอกับผู้เจ้าที่วิมุตตแต่ไม่ได้รอบรู้เท่าผู้เจ้าคือประสบการณ์ในทางโลกไม่เท่ากันนะ<ม>ผู้เจ้ า, าเก่งกว่าถึงแม้จะโดนพระผู้เจ้าตำหนิหรือว่า ตำหนิอย่างแรงในสภาพจิตตนั้นก็ยังล่าเริงจับสายอยู่ก็ปกติเพราะว่าตําหนิขันห้าไม่ได้ไม่ได้ไปตําหนิตัวท่านนนอืยขันห้ามันทําไม่ดีก็เรื่องของมันไปนียเพราะขันห้าไม่เป็นตัวท่านแล้วเราจะรู้สึกว่าเราถูกตําหนิเพราะว่าขันห้าเป็นเรามาตําหนิความคิดเรามาตําหนิการกระทําของเราเพราะมันมีเราไงแต่เมื่อพระรหันต์ไม่มีความเป็นเราในขันห้ามันก็ตําหนิก็ตําหนิตําหนิก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นพระเจ้าตำหนิไปเพื่ออะไร ตำหนิไปเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ยังไม่บรรลุเดินในสิ่งที่ถูกต้องนั้นการบัญญัติวินยัยบัญญัติเพื่ออะไรคมคีคนเก้ อ, อยากที่จะเดินตามมาภายหลังเพื่อให้คนที่ยังไม่บรรลุเนี่ยมันได้บรรลุได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันมีกรอบก็อาศัยเหตุปัจจัยของคนที่ที่ทำผิดที่ไม่รอบรู้ไม่ใช่สัพพัญยูเนี่ยทํามาทํามาผู้เจ้ารู้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าตรงนี้ควรตรงนี้ไม่ควรตรงนี้ควรตรงนี้ไม่ควร เพื่อความอยู่พาสุก ข, ของสงฆ์นะเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธธรรมนะถ้าสเปสปากันหมดมันก็เสื่อมเร็วศาสนาก็หมดไปง่ายนะนั้นพูะเจ้ารับอารัธนาจากภาษาเรบุตรแล้วว่าจะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งมั่นพระองค์ก็จะใช้ความเป็นสัพพัญญูของพระองค์เนี่ยคอยพิณาว่าอาการอย่างเนี้ยควรอาการอย่างนี้ไม่ควรอะไรที่ดีจะสัรเสริญเอาไว้ พระหลาหนที่พยากรหัตาผลโดยไม่น้อมเข้ามาในตนผู้เจ้าก็จะสรนเสริฐอภิสูตทั้งหลายจําไว้นะนี่เป็นการพยากรหักผลโดยไม่น้อมเข้ามาในตนไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นพระหลาหนแต่พูดไปพูดธรรมะให้ผู้เจ้าฟังคนฟังมีภูมิตามรู้ละนี่เป็นพระหลาหนอย่างเนี้นั้นจะสรนเสริญในสิ่งที่ควรสรนเสริญจะตมหนิสิ่งที่ควรตําหนิเพื่อให้คนรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังเนี่ยเดินตามอย่างถูกต้องและเป็นกรอบในการปกครอง และความเป็นอยู่ของสงเพื่อให้เกิดความผาสุกอย่างนี้งั้นช่วยจังหวะที่เพื่อเจ้าตาหนิพระพาทวาชาคื อ, อจิตใจไม่ได้เศร้าอะไรคือจำไว้แล้วไปปฏิบททัติเฉ ย, ยใช่แค่นั้นเองแล้วไม่ทำอีกเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างเพราะผู้เจ้าจะรู้ว่าการกระทาอย่างนี้องค์กรจะเสื่อมเร็วนะตรงเนี้ยที่พระหลานไม่รู้นะ ตรงนี้คือความเป็นสัพ ป, ปัญญูของของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะที่ทําไมพระหลานทั้งหลายเป็นพันๆจึงยอมมาอยู่ภายใต้การปกครองของผู้เจ้านะไม่ ง, งั้นบรรลุธรรมแล้วก็แยกตัวไปเป็นใหญ่กันหมดใช่ไหมอืมแต่ยังมายอมผู้เจ้าหมดพระหลานก็กราบแท่พระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้านะอย่างวันประวันนาเนี่ยนะผู้เจ้าก็บอกอ่ะมีใครจะตําหนิตถาคตบ้างเงียบกันหมดเลยไม่รู้ใครจะตำหนิ ภาษาลีบุตรโฮมเฉวียงบากราบแทบเท้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกข้าพระองค์เนี่ยมีพระเจ้าเป็นมูลเป็นพระบิดาเป็นผู้นำนะก็สรรเสริญพระเจ้าทุกอย่างพวกข้าพระองค์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรจะตําหนิพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกที่ที่พระเจ้าจะบัญญัติเรื่องการทําปรลานาไงนะคือวันสุดท้ายของการออกพรรษาเนี่ยพระเจ้าให้งดสวดปฏิโมหนะให้ทําปรลานาก็คือ ให้พระทุกองคเนี่ยพูดว่าหากความประพฤติปกคล่องใดๆของข้าพเจ้าปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายเนี่ยจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นอยู่จกแก้ไขต่อไปขอความเมตตาให้พระทั้งหลายเนี่ยช่วยว่าตัวเองด้วยนั่นแสดงว่าปกติเขาก็ไม่ค่อยอยากว่ากันนะต้องขอความเมตตาให้ช่วยว่าหน่อยนะแล้วถ้า ตัวเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาจะแก้ไขต่อไปอย่างนี้นั้นพระทุกองค์ให้ทําอย่างนี้ในวันสุดท้ายของการออกพรรษานะเพราะเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเป็นเวลานานสามเดือนเนี่ยก็เริ่มรู้เห็นนิสัยเริ่มเห็นข้อบอกพร่องอะไรต่างๆก็เปิดโอกาสให้วันหนึ่งเนี่ยตําหนิกันได้นะอืมคารวะมาใช้ได้ไห ม, า ม, าไไหมจะทะเลาะ ก, กันหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> นะ ตอนนี้พระเนี่ยมีธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยมันจบที่คําพุทธเจ้าได้ไงเวลามีเหตุอไม่ไม่เข้าใจกันหรือขัดแย้งกันเนี่ยมันสามารถใช้ธรรมวินยัยนะซึ่งธรรมวินัยนั้นเป็นอากาลิโกและเป็นมาตรฐานแต่กฎระเบียบของบริษัทก็ตามกฎหมายทางโลกก็ตามมันไม่อากาลิโกนะมันยังมีข้อบอกพร่องเพรานะนั้นมันจะเถียงกันไม่จบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะาลาบากเหมือนกันนะ่ายากเหมือนกันอืม นั้นใช้หลักของผู้เจ้าน่ะก็คือว่าเวลาพอใจไม่พอใจให้รีบวางการทะเลาะจะไม่เกิดขึ้นเกิดความตร้หนีเกิดความอิจฉาต้องรีบวางนะความพอใจไม่พอใจเป็นเหตุให้เกิดอิจฉาและตร้หนีอิจฉาและตร้หนีเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะนะนั้นคนเราทะเลาะกันเพราะสองอารมณ์นี้อิจฉาและตจ้าหนีนะหรือเข้าไปยึดความเห็นตัวเองนั้นสาวกคนนึงบอกแล้วผู้เจ้าก็รับรองอยู่บอกว่า ข้าพระองค์เก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นก็คือทำตามความเห็นคนอื่นบ้างนะอ่าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้มันก็จะมีการฟังกันและประนีประนอมเพราะต่างคนต่างไม่ยึดความเห็นตัวเองใช่ไหมคนเราทะเลาะกันก็เพราะขัดความเห็นกันนี่แหละนะเพราะคิดว่าของเราต้องต้องทำตามความเห็นของเราน ะ, น ะ, นะอะ่เดี๋ยวไปจัดอาหารนะ